บทที่4ครูร้อยช่างครูร้อยช่างมานั่งแถวหน้าแล้วก็กราบสมภารอีกครั้งหนึ่ง ผู้เสียงดังฟังชัดว่าดิฉันจะพาหลานชายมาจำพรรษาที่วัดนี้ค่ะท่านจะกรุณารับไว้ได้หรือไม่เขาลือกันว่าสมพานวัดนี้ท่านเป็นพระนักพัฒนาดิฉันก็อยากจะให้หลานชายได้มาอยู่กับท่านแล้วจะบวชที่วัดไหนล่ะสมพานถามรู้สึกตะครั่งตะครอร้อนร้อนหนาวหนากลัวครูร้อยช่างจะจาท่านได้วัดกุดีทองค่ะบวชที่วัดนั้นแล้วมาจาพรรษาที่วัดนี้ จะได้ให้เรียนกรรมฐ า, านกับท่านด้วยเขาเป็นหลานผู้ชายคนเดียวของตระกูลค่ะเป็นลูกชายคนเดียวของน้องชายดิฉันน้องชายของดิฉันก็เป็นลูกชายคนเดียวของคุณพ่อคุณพ่อเป็นลูกชายคนเดียวของคุณปู่ครูร้อยช่างสาทยายแล้วคุณปู่ก็เป็นลูกชายคนเดียวของคุณทวดหรือเปล่าท่านถามอย่างนึกสนุกไม่ทาราบค่ะเพราะคุณปู่เสียตั้งแต่ดิฉันเป็นเด็กถ้ารู้มาก่อนว่าท่านสมภารอยากทราบดิฉันก็จะถามคุณพ่อให้ รูวรัยหกิเศษต่อแบบประชดประชันใจหนึ่งก็คิดว่าเอเสียงอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้เราเคยเห็นที่ไหนนาะขอประธานโทษท่านสมพานชื่ออะไรคะหล่อนถามเพราะนึกไม่ออกจริงๆว่าเคยเห็นพระรูปนี้ที่ไหนมาก่อนอยังไม่ทันที่สมพานจะตอบหล่อนก็ร้่งออกมาว่าเจริญจรุนรัตใช่ไหมใช่แล้วจ้าโยมครูสบายดีหรือ ปลดกเกษียณมากี่ปีแล้วเห็นว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงอีกต่อไปพระหนุ่มจึงทักทายครูที่เคยสอนท่านมาและท่านก็เป็นเด็กซุกซนถึงขนาดเอาไม้แยก้นครูเพียงเพราะต้องการให้ถูกไล่ออกกูร้อยช่างไม่ตอบคำถามภาพแห่งอดีตย้อนกลับมาปรากฏในมโนทวารอีกครั้งเมื่อได้มานั่งต่อหน้าจำเลยหล่อนจ้องมองพร ะ, จะเจริญอย่างจากจะกินเลือดกินเนื้อ ดูทีหรือจีวรที่นุ่งห่มก็ขาดวิ่นมีรอยถูกไฟไหม้คงจะยังไม่หายซุกซนกระมังจึงพูดกโกรธว่าท่านมาบวชก็ดีแล้วจะได้ไม่ไปเกเลเกตุงกับใครเขาอีกหากไม่มีญาติโยมนั่งอยู่หล่อนคงจะพูดว่าจะได้ไม่เที่ยวเอาไม้ไปแย่ก้นใครเขาอีกยิ่งคิดถึงความหลังความแค้นก็ยิ่งปะทุขึ้นจนแน่นในหัว อ, อกในที่สุดจึงพูดขึ้นว่าดิฉันเปลี่ยนใจแล้ว จะไม่เอาหลานมาอยู่วัดนี้ไม่อยากให้ต้องกลายมนเป็นโจรการพูดแรงๆเป็นทางหนึ่งที่จะระบายความแค้นแล้วจึงกราบประโลกประโลกสามครั้งหันไปบอกหลานชายว่าไอ้หนูเรากลับกันเถอะจำพรรษาที่วัดคุดีทองนะ่ะดีแล้วอย่าได้มาอยู่วัดนี้เลยโยมครูใจเย็นๆจ้าอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็อย่าได้เอามาคิดให้จิตเศร้าหมองไปเปล่ๆ อาตมาก็ถูกทำโทษสมควรแก่ความผิดแล้วอย่าผูกความโกรธไว้เลยอาตมาขออโหสิกรรมนี่ก็ตั้งใจว่าจะบวชไปจนตลอดชีวิตสมภารหนุ่มพูดหมายจะให้ครูหายโกรธแต่ครูร้อยช่างกลับว่านั่นเพราะท่านเห็นว่าไม่มีใครเขาจะเอาคนเกเล เ, เกตุงไปทำลูกทำัวต่างหากละ่ะเห็นครูโมโหพระหนุ่มจึงยั่วว่าคงไม่เกี่ยวกับเรื่องคู่ครองกระมัง เพราะบางคนไม่เกเรเกตุงแต่หาคู่ครองไม่ได้ก็มีคราวนี้ครูร้อยช่างโกรธหัวฟัดหัวเวียงรีบลุกออกไปจากที่นั้นโดยไม่ล่ําลาหลานชายที่มาด้วยลุกตามออกไปโดยไม่รู้อีโนอีเนป้าของเขาชอบทําอะไรแผลงแผลงแบบนี้เป็นประจำนี่หากไม่เกรงใจว่าเป็นพี่สาวคนเดียวของบิดาก็คงจะเลิกคบกันไปนานแล้วนั่นครูของท่านสมพานหรือจ๊ะนางแต้มถามขึ้น ถูกแล้วจ้าโยมครูของอาตมาเขาขี้มโมโหอย่างนี้เองใจจริงไม่มีอะไรล้อท่านรีบพูดกรบเกลือนท่านไปทำอะไรแกเข้าละ่ะดูท่าทางแกยังไม่หายโกรธเลยคราวนี้คนถามคือนังแช่มก็แย่แกเล่นตามภาษาเด็กสนนโยมไม่นึกว่าแกจะโกรธยั่งยืนอย่างนี้อาตมาก็ถูกครูใหญ่ลงโทษสาสมกับความผิดแล้วลงโทษอย่างไรครับเขียนกี่โล สา ม, มนเณรเฉลียวถามไม่ได้ถูกเคี่ยนลอกแค่ถูกไล่ออกถึงกับไล่ออกเช่ยวหรือครับท่านสมภานไปแย่อะไรโยมครูคนนั้นล่ะครับเอาเถอะอย่าไปสนใจเรื่องของอดีตอดีตผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงสนใจเรื่องปัจจุบันดีกว่าเมื่อกี้โยมถามว่าการทำบุญสิแบบมีอะไรบ้างใช่ไหยใช่จ้ะทีฉันเป็นคนถามเอง นางโถตอบงั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีอัตมาจะอธิบายให้ฟังเรื่องนี้สำคัญมากนะเพราะชาวพุทธเรามักจะเข้าใจกันว่าการทำบุญนั้นต้องถวายสังฆทานทอดผ้าปา่าทอดกระิ้นสร้างโบสถ์สร้างศาลาคือไปคิดว่าต้องเสียเงินถึงจะได้บุญความจริงแล้วการทำบุญไม่ต้องเสียเงินก็ได้อัตมาจะอธิบายการทาบุญสแบบิที่เรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุสิบ แล้วโยมพิจารณาเองก็แล้วกันว่าแบบไหนต้องเสียเงินแบบไหนไม่ต้องเสียเงินการทําบุญแบบไม่ต้องเสียเงินก็มีหรือจ๊ะนางแต้มถามนางเข้าใจว่าถ้าไม่เสียเงินก็ไม่ได้บุญมีสิแล้วได้บุญมากกว่าแบบเสียเงินอีกด้วยพระเจริญตอบแล้วท่านจึงอธิบายว่าบุญญกิริยาวัตถุสิบได้แก่ทานน้ำไม คือการทำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของการสร้างโบสถ์สร้างศาลาจะสร้างสักกี่หลังทอดผ้าป่าทอดกฐถินสักร้อยครั้งก็เป็นทานน้ำไมได้บุญน้อยกว่าข้อศีลละไมซึ่งเป็นการทำบุญด้วยการรักษาศีลโยมสร้างโบสถ์สิบหลังแต่ไม่มีศีลเลยก็ได้บุญน้อยกว่าถือศีลแต่ไม่เคยสร้างโบสถ์ถือศีลนี่ได้บุญมากกว่าการสร้างโบสถ์อีกหรือครับอุบาสกถาม ถูกแล้วและที่ได้บุญมากกว่าการถือศีลคือการเจริญภาวนาที่เรียกว่าภาวนามมยโยมาปฏิบัติกรรมฐานนี่จัดเป็นภาวน า, มาัมได้บุญมากกว่ารักษาศีลแปลว่าผมไม่ต้องรักษาศีลแต่มาเจริญภาวนาก็ได้บุญมากกว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่โยมจะเจริญภาวนาไม่ได้หากไม่มีศีลเป็นพื้นฐานต้องรักษาศีลด้วย อย่างโยมมาปฏิบัตินี่โยมก็ต้องมาสมาทานอุโบสถศีลใช่ไหมก็เท่ากับโยมได้ทำบุญถึงสองอย่างคือทั้งศีลละไมและภาวนาไมจึงได้บุญมากกว่าการรักษาศีลเท่านั้นแล้วแบบที่สี่ละจ๊ะนังโท ถ, ถามแบบที่สี่เรียกว่าอัปัจายะนะไมคือการมีสัมมาคารวะต่อพ่อแม่ครูอาจารย์เรียกว่าบุญสาเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมยกตัวอย่าง เด็กที่พ่อแม่อบรมมาดีไปลามาไหว้เจอคนเท่าคนแก่ก็เรียงทางให้เจอพระก็นมั ส, สการเพียงเท่านี้ก็ได้บุญแล้วส่วนญาติโยมที่เป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ครูอาจารย์ล้มหายตายจากอาจคิดว่าทำบุญแบบนี้ไม่ได้ทำได้นะการอ่อนน้อมต่อนตอนุต่อพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นอภปญจานมามัย แม่อีชั้นกำลังจะเรียนท่านสมภารอยู่พอดีว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของอีชั้นพากันไปหมดแล้วอีชั้นคงทำบุญแบบนี้ไม่ได้เหมือนท่านสมภารจะรู้ถึงได้ตอบให้อีชั้นหายข้องใจขออนุโมทนาท่านเก่งเลือเกินสตรีอายุน้อยที่สุดพูดขึ้นหล่อนคงจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับท่านจึงมีโอกาสได้เรียนหนังสือแบบที่ห้าละจ๊ะ นางโถรีบถามเพราะเกรงจะเสียผลประโยชน์อันพึงได้จากการฟังธรรมแบบที่ห้าเรียกว่าเวิยาวัจไมปุญสำเร็จด้วยการขนขวายรับใช้พูดถึงเรื่องนี้ทำให้อัตมานึกถึงขอทานสองผัวเมียชื่ออะไรก็จำไม่ได้เสียแล้วบ้านก็อยู่ภายขวางโน่นทำไมท่านสมพัน์ถึงนึกถึงแกและจ๊ะนางแต้มถามเพราะแกใจบุญนะสิ ขอทานเข้ามาได้แกแบ่งทำบุญครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาไปเลี้ยงลูกเวลาวัดวามีงานแกก็ช่วยตัวเป็นเกลียวตาผัวช่วยตักน้ำยายเมียช่วยล้างชามแกชอบฟังเทศด้วยนะเวลาที่บ้านโยมยายมีเทศมหาชาติแกมาขอทานได้แล้วก็ยังไม่ยอมไปแกจะขอฟังเทศให้จบก่อนชาวบ้านเขารักแกกันทุกคนพระหนุ่มเล่าความหลัง ยังจำภาพของขอทานสองผัวเมียได้ติดตาแสดงว่าแกได้บุญหลายอย่างชาติหน้าคงไม่ต้องไปเกิดเป็นขอทานอีกอุบาสกว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ชาตินี้แกก็ไม่ได้เป็นขอทานแล้วเพราะลูกๆแกโตขึ้นมีงานมีการทาก็ไม่ให้พ่อแม่มาเป็นขอทานอีกต่อไปตอนตาผัวตายอัตมายังไปเผาศพแกเลยนีมนท่านสมพานเทศเรื่องการทาบุญต่อถึดจ้า คนกลัวเสียผลประโยชน์รีบนิมนต์ถึงข้อไหนแล้วละโยมข้อ6จ้ะนางตอบข้อ6หรือข้อ6เรียกว่าปฏิทานนัยบุญสําเร็จด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่นเช่นว่าโยมมาทำบุญที่วัดพอกลับไปบ้านโยมก็บอกลูกหลานว่าย่าเอาบุญมาฝากปู่เอาบุญมาฝาก หรือโยมอุทิศไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นบุพการีก็ดีมิตรสหายหรือเจ้ากรรมนายเวรก็ดีเรียกว่าปฏิทานนามายัยแต่ถ้าคนอื่นเข้าไปทำบุญมาแล้วแบ่งให้เราเช่นบอกว่าฉันไปเข้ากรรมาฐานเอาบุญมาฝากจ้ะเราก็ยกมือขึ้นสาธุอนุโมทนาบุญกับเขาเราก็ได้บุญเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหมา่เป็นข้อที่เจ็ด ส่วนข้อที่8กับข้อที่9คือธรรมะสวัณน า, ายและธรรมเทศนาไมายโยมฟังอัตมาเทศโยมก็ได้บุญอัตมาเทศให้โยมฟังอัตมาก็ได้บุญเพราะธรรมะสวัณน า, ายคือบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมส่วนธรรมะเทศนาไมาคือบุญสำเร็จด้วยการสั่งสอนธรรมงั้นพระก็ได้เปรียบโยมตรงที่สามารถทำบุญแบบที่9ได้แต่โยมทำได้แค่แบบที่8อย่างนั้นใช่ไหมครับ อุบาสกกังขาทั้งพระทั้งโยมสามารถทำบุญแบบที่8และแบบที่9ได้ก็เวลาที่โยมมาปฏิบัตินี่นะพอกลับไปบ้านก็ไปสอนลูกหลานให้เดินจงกรมให้นั่งภาวนาก็จัดเป็นธรรมะเทศนาใหมา่หรือการสอนให้เขาละเว้นจากการทำชั่วสอนให้เขาทำความดีก็เข้าข่ายแบบที่9้าแล้วทำไมจะทำไม่ได้นิมนต์ต่อข้อสุดท้ายเลยจ้ะ นางโถนิมนต์อีกข้อสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดแล้วก็ได้บุญมากที่สุดข้อนี้มีชื่อว่าทิฏฐุชุกรรมคือบุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรงซึ่งก็คือการสร้างสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบให้เกิดขึ้นในตนเพราะถ้ามีข้อสิบแล้วข้ออื่นๆตั้งแต่หนึ่งถึงก็จะตามมาแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิข้อ1ถึงก็ไม่มีจริงไหมจริงจ้จริงครับ ทั้งโยมหญิงโยมชายตอบพร้อมกันเอาละทีนี้อาตมาก็จะตั้งคำถามโยมช่วยกันตอบนะอาตมาจะถามว่าการทำบุญทั้ง10บแบบนี้ถ้าแบ่งอย่างกว้างๆออกเป็นสามแบบคือทานนามัยศีลไมยและภาวนาไมยแล้วเอาเจดข้อที่เหลือสงเคราะห์ลงในสข้อนี้โยมลองช่วยกันคิดสิว่าข้อสี่ถึงข้อ10จะสงเคราะห์เข้าข้อใดได้บ้าง คืออีฉั้นจำชื่อไม่ได้แล้วเรียกเป็นข้อๆดีกว่านะอีฉันว่าข้อสี่กับข้อหสงเคราะห์เข้าในข้อสองคือศีลไมัยข้อ6ข้อ7สงเคราะห์เข้าในข้อหนึ่งคือทานนามัยข้อ8ข้อ9จัดอยู่ในข้อสคือภาวนาไมัยส่วนข้อสุดท้ายอีฉั้นว่าเข้าได้ทั้งสข้อนางโถตอบมีเสียแรงที่สนใจฟังด้วยว่านางเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง แม้จะจําชื่อไม่ได้หมดทุกข้อก็ตามโยมแต้มล่ะเห็นด้วยกับโยมโถไหมอีฉันไม่ทราบจ้ะจําไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไรก็อีฉันไม่ได้เรียนหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นางแต้มแก้ตัวไกลๆโยมโถเรียนหนังสือหรือเปล่าท่านถามนางโถไม่ได้เรียนจ้ะอีฉันก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมือนแม่แต้มนั่นแหละ ที่ฉันก็ไม่ได้เรียนนางแจ้มตอบทั้งที่สมภารยังไม่ได้ถามนางกลัวจะถูกถามนั่นเองเอาละเป็นอันว่าที่โยมโถตอบมานั้นถูกต้องทุกอย่างทีนี้ญาติโยมก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าการทำบุญนั้นไม่จําเป็นต้องใช้เงินเสมอไปแถมยังได้บุญมากกว่าคนมักเข้าใจผิดกันว่าทำบุญต้องใช้เงินเลยกลายเป็นซื้อบุญไปนั่นสิครับ ผมก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าเราสามารถทำบุญได้โดยไม่ต้องใช้เงินนี่ถ้าท่านสมพานไม่ชี้แจงพวกผมก็คงยังไม่ทราบเพราะไม่มีพระรูปไหนสอนอย่างนี้มาก่อนมีแต่ท่านบอกบุญโยมทอดพระป่าสิทอดกระินสิจะได้บุญได้อา น, นิสงค์คือท่านสอนแค่ทานน้ำไม่ส่วนอีกเ้าข้อท่านไม่สอนถึงสมพานองก่อนท่านก็ไม่เคยสอน อุบาสกพูดาพาดพิงไปถึงสมภารที่มรณภาพไปแล้วโยมอย่าไปพูดตำหนิท่านอย่างนั้นเลยท่านมรณภาพไปแล้วบาปกรรมปรเปล่าๆสมณเณรเฉลียวเตือนรู้สึกไม่พอใจบุรุษนั้นที่มาว่าสมภารที่เคยอุปการะตนมาก่อนนั่นสิโบราณท่านว่าอย่าตีคนตายหมายความว่าอย่าไปเอาคนตายมาโจมตีเพราะเขาไม่มีโอกาสลุก ข, ขึ้นมาชี้แจงแถลงไข ท่านสอนไว้เป็นคำคล้องจองกันว่าอย่าข้ามคนล้มอย่าข่มคนรู้อย่าขู่คนกล้าอย่าท้าคนพานอย่ารานคนร้ายอย่าขายคนรักอย่ากักคนรีบอย่าบีบคนบอบอย่าชอบคนชั่วอย่ายั่วคนดีอย่าตีคนตายจำให้ได้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มอย่าข้ามแม่ชีรูปหนึ่งเดินเข้าประตูมา ญาติโยมพากันเลี่ยงทางโดยไม่ต้องให้สมภารบอกกลับเบนจังข้ประดิษฐ์สามครั้งแล้วแม่ชีจึงพูดขึ้นว่าฉันชื่อก้อนทองจ้ะจะมาขออยู่ที่วัดนี้มาจากไหนล่ะโยมอยู่ที่วัดไหนพระเจริญถามวัดกระโจมทองจ้ะแต่อยากมาอยู่วัดป่ามะม่วงทําไมถึงอยากมาอยู่ที่นี่ล่ะวัดกระโจมทองอยู่ไม่สบายหรือจึงได้อยากย้ายวัด ก็สบายดีจ้ะคือฉันฝันติดติดกันสามคืนฝันว่าเทวดาสั่งให้ไปอยู่ที่วัดป่ามะม่วงเทวดาบอกว่าเขาอยู่ที่ต้นพิกลหลังโบดฉันมาก็เห็นต้นพิกุลจริงๆขอให้ฉันอยู่เถอดนะแม่ชีวัย8ปดสเศษขออนุญาตหลังจากเล่าให้ท่านฟังแล้วเอาเถอะไหนๆก็เป็นคำสั่งของเทวดาอัตมาเป็นมนุษย์หรือจะปังอาจขัดขืน สมภารวัดป่ามะม่วงพูดยิ้มยิ้มญาติโยมที่นั่งณที่นั้นต่างพากันอยากรู้ว่าเทวดาหน้าตาเป็นอย่างไร